บทที่6การหลับของวิญญาณสําหรับวิญญาณในที่นี้ไม่ใช่ความหมายอย่างเคร่งครัดในทางพระพุทธศาสนานะครับเกี่ยวกับการหลับของวิญญาณดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทก่อนท้าพเจ้าใครขอถี่โอกาสขยายความหมายให้พิสดารยิ่งขึ้นอีกเล็กน้อยโดยคัดลอกจากหนังสือเล่มอื่นที่อยู่ชุดเดียวกันนี้มาลงไว้ดังต่อไปนี้ ที่วิญญาณเริ่มอย่างลงสู่ความหลับตอนที่ได้ละกายเนื้อออกไปแล้วก็ดีการที่วิญญาณนั้นๆจะหลับได้สนิทเพียงใดก็ดีอาจขึ้นอยู่กับกระแสจิตของบุคคลผู้เป็นญาติหรือมิตรสหายในโลกนี้ได้บ้างเหมือนกันในบางรายคือวิญญาณที่มีเรื่องราวบางอย่างตกค้างอยู่และต้องการจะบอกให้ผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์ได้ทราบถึงเรื่องนั้นให้ก็ดีหรือวิญญาณ ที่ได้ยินเสียงร่ำไห้และร่ำครวญของผู้อยู่เบื้องหลังและพลอยรู้สึกอะไรเสียดายไปด้วยก็ดีจะพยายามต่อสู้กับความง่วงงุนที่กำลังคือคลานเข้ามาและพยายามอย่างสุดฤทธิ์ที่จะกลับไปหาผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์ให้จงได้และมาเมื่อวิญญาณ น, นั้นจะได้อย่างลงสู่ความหลับแล้วในที่นี้คือในบางรายก็จะยังคงถูกรบกวนด้วยเสียงเรียกและร่ำไห้เหล่านั้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดอาการหลับหับตื่นตื่นและสะดุ้งพะวาบ่อยๆและเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นการทรมานและถ่วงเวลาทําให้วิญญาณ น, นั้นไม่สามารถจะตื่นขึ้นในโลกทิพย์ด้วยความสะดวกวิญญาณที่เครื่องหลับเครื่องตื่นนี้มักจะไปปรากฏในห้องทรงวิญญาณบ่อยๆและเป็นเครื่องแสดงว่าความปรารถนาและร่างครวนด้วยความเห็นแก่ตัวของมนุษย์นั่นเองเป็นเครื่องทําให้เขาต้องได้รับความทรมานโดยไม่จําเป็น เรื่องเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งทีเดียวนอกจากในบางกรณีที่ผู้ตายมีความเข้าใจในเรื่องโลกทิพย์หรือเรื่องของวิญญาณดีและเราก็สามารถตัดใจได้เด็ดขาดไม่ยอมปล่อยใจให้ตกอยู่ในอำนาจความดึงดูดของผู้ที่อยู่เบื้องหลังแต่ประการใดในกรณีเช่นนี้ผู้ลงลับไปแล้วก็สามารถมีความสุขในโลกใหม่ได้ เคยมีปรากฏว่ามีบางรายที่วิญญาณของผู้ตายต้องได้รับความทรมานจากกระแสดึงดูดของความคิดของมนุษย์เช่นนี้และต้องสู้กับความหลับที่ย่างกรายเข้ามาหรือต้องตื่นเต้นและทรมานอยู่เป็นเวลานานา น, นับได้ลหลายปีก็ยังไม่สามารถยังลงสู่ความหลับได้สักทีจึงเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสลดใจอย่างยิ่งเพราะในที่สุดการกระทำเช่นนั้นก็ไม่ได้ให้ประโยชน์แก่ผู้ใดเลย ทั้งฝ่ายผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและฝ่ายผู้ที่อยู่ข้างหลังเราไม่ควรจะให้ความเห็นแก่ตัวของเราเป็นเครื่องกีดขวางความเจริญของผู้ล่วงลับไปแล้วควรให้เขาได้มีโอกาสหลับด้วยความสงบสุขเพื่อเขาจะได้เติ่นขึ้นมามีชีวิตใหม่อย่างพาสุขการใช้กระแสะความเศร้าโศกและความคิดถึงอันรุนแรงของเราที่เหนียวรั้งเขาไว้ยอมเป็นเสมเือนว่าเราเด็กแล้งให้เขาต้องตายซ้ำซำซักๆ ครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่นั่นเองควรวหรือที่เราจะกระทาเช่นนั้นต่อผู้ที่เรารักและหวังดีเราควรตั้งความปรารถนาให้เขาหลับอย่างสงบและตื่นขึ้นพบชีวิตใหม่อย่างเป็นสุขจะไม่ดีกว่าหรือยังมีความจริงที่น่าสนใจบางประการเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่สมควรจะต้องกล่าวถึงเป็นการเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยซึ่งข้าพเจ้าขอคัดลอกข้อความจากหนังสือเล่มดังกล่าว มาอีกครั้งหนึ่งดังนี้โดยปกติทั่วไปบุคคลที่ถึงแก่ความตายตามธรรมดาคือด้วยโรคภัยแค่เจ็บนั้นถ้าไม่มีกระแสความคิดหรือความเป็นห่วงเหนียวรั้งไว้เป็นพิเศษแล้ว <c oughs> ก็มักจะยังลงสู่ความหลับดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ผู้ที่ตายอย่างปัจจุบันทันด่วนคือผู้ที่ถูกฆ่าตายเหล่านี้จะไม่มีอาการเช่นนั้นในระยะแรก เพราะเขาจะรู้สึกตัวว่าตื่นอยู่เป็นปกติเหมือนเดิมคือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ตายฉะนั้นเมื่อทราบว่าตนได้ตายไปจากโลกนี้แล้ววิญญาณเหล่านี้จึงเกิดความรู้สึกมุนงงอย่างยิ่งในสภาพการของความเปลี่ยนแปลงที่เขาไม่สามารถจะเข้าใจได้ในเมื่อเขาคิดว่าเขายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้ทงนี้เพราะว่าเขาสามารถจะเห็นและได้ยินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ เหมือนกับที่เขายังมีชีวิตอยู่เช่นเดิมนั่นเองแต่ที่น่าแปลกสำหรับเขาก็คือจะไม่มีใครเห็นตัวเขาหรือได้ยินเสียงที่เขาพูดเลยจิตใจของเขาจึงจะตกอยู่ในสภาพที่สับสนและเศร้าสลดอย่างบอกไม่ถูกอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งต่อมาบรรดาวิญญาณในโลกทิพย์ที่มาจฉดภูมิสงขขึ้นไปจะได้ค่อยๆบอกความจริงให้เขาทราบทีละน้อยทีละน้อยด้วยความระมัดระวังและให้ความช่วยเหลือแก่เขา เท่าที่พอจะให้ได้ซึ่งในที่สุดถ้าเขาสามารถทําใจให้ปล่อยวางต่อสถานะเดิมแล้วรับรู้ในสถานะใหม่ได้บ้างเขาก็จะค่อยๆ อ, อย่างลงสู่ความหลับในทํานองเดียวกันกับวิญญาณอื่นๆหรือเหมือนกับเด็กอ่อนที่อ่อนเพลียมาตลอดวันยอมล้มตัวลงนอนหลับไปฉะนั้นวิญญาณผู้ที่ทําการช่วยเหลือนี้ จะทำหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดีในทุกๆกรณีอาจกล่าวได้ว่าไม่มีวิญญาณของคนที่ตายคนไหนจะถูกปล่อยทอดทิ้งไว้เลยไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีหรือเลวเพียงใดก็ตามเพราะท่านเหล่านั้นย่อมทราบดีว่าทั้งหมดเป็นลูกพ่อเดียวกันและดังนั้นต่างคนต่างก็เป็นพี่น้องกันนั่นเอง เคยปรากฏว่ามีบุคคลที่มีความเจริญทางจิตใจสูงคือมีฤทธิ์มากได้ถอดจิตของท่านออกไปชั่วคราวเพื่อที่จะช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษในเมื่อเกิดเรื่องร้ายแรงที่มีคนตายพร้อมกันคราวละมากๆเช่นในเรื่องคราวเกิดน้ําท่วมที่เมืองจอร์ทาหรือเมื่อคราวเรือเดินสมุทรละมาฮฮ์มาที่ชื่อเรือแททานิกเกิดอับปางนอกจากนี้ก็มีในกรณีที่เกิดการรบกันขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้มีทหารและผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากทำให้ต้องมีจํานวนผู้ช่วยเหลือในการรับวิญญาณของผู้ตายมากขึ้นเป็นพิเศษกว่าตามปกติในกรณีหลังดังกล่าวนี้วิญญาณของผู้ตายมักจะยังลงสู่ความหลับไปทีละน้อยเช่นเดียวกับที่ตายโดยปกติธรรมดาเหมือนกัน มิิตเรื่องที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือก่อนที่วิญญาณจะยังลงสู่ความหลับนั้นบางครั้งอาจจะมีการระลึกย้อนหลังถึงการที่ตนได้กระทําไว้ทั้งดีและชั่วแต่ระยะเวลาที่ใช้ในเรื่องนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น้อยนิดเดียวจนเกือบจะวัดไม่ได้ว่าเป็นเวลาเท่าใดตามมาตรฐานเวลาของโลกมนุษย์ แต่ก็ในช่วงเวลาน้อยนิดเดียวนี้เองวิญญาณจะเห็นภาพชีวิตที่ตนได้ผ่านมาก่อนจะตายเป็นภาพตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยชราเหตุการณ์ต่างๆอันเล็กน้อยเพียงใดก็จะปรากฏชัดแก่ในตาทางใจของวิญญาณเช่นเดียวกับเหตุการณ์ใหญ่ๆที่มีความสำคัญเหมือนกันในระหว่างนี้ความทรงจำเรื่องราวในครั้งอดีตที่ฝังตัวอยู่ในจิตใต้สานึกจะถูกนาออกมาเปิดเผยยังหมดสิน้น คือไม่มีอะไรจะหลงลืมหรือถูกปิดบังให้เป็นความลับไว้ได้เลยและที่สำคัญยิ่งขึ้นก็คือวิญญาณซึ่งบัดนี้ได้ก้าวขึ้นมาสู่ระดับที่สามารถจะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงได้มากกว่าเดิมแล้วก็สามารถจะรู้ซึ้งถึงความหมายถึงสาเหตุและถึงผลของเหตุการณ์ทุกๆประการในชีวิตแต่ผลหลังได้ดีขึ้นวิญญาณสามารถจะวิเคราะห์ตนเอง และพิจารณาพิพากษาตนเองได้ด้วยการกระทำของตนเองแต่เดิมมาในลักษณะเช่นนี้วิญญาณแต่ละคนจะมีสภาพเป็นผู้พิพากษาที่ทรงอำนาจความยุติธรรมอย่างยิ่งผลก็คือวิญญาณจะเกิดความประทับใจในลักษณะต่างๆกันจากการพิพากษาการกระทำของตนเองในหุนหลังและจะก่อให้เกิดความรู้สึกฝังใจไปเพื่อบังเกิดผลในอนาคต คือทำให้วิญญาณเป็นผู้มีความรู้สึกประทับใจเช่นนั้นเช่นนั้นแฝงอยู่ภายในใจในชาติต่อไปของตนมากบางน้อยบ้างสุดแล้วตั ว, ว่าตนจะสามารถรู้สึกประทับใจและเข้าใจถึงความเป็นจริงได้เพียงไรในตอนนี้อาจมีบางท่านค้านว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่วิญญาณของคนที่กำลังจะตายจะสามารถทบทวนเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้น ภายในระยะเวลาอันสั้นน้อยนิดเดียวเท่านั้นเรื่องนี้ข้าพเจ้าใกรขอให้ขอสังเกตว่าแม้ในขณะที่เรายังไม่ตายนี่เองก็มีหลักฐานในทางจิตวิทยาได้บอกให้เราทราบเหมือนกันว่าตามที่ได้มีการบันทึกไว้นั้นปรากฏว่ามีบางคนซึ่งได้ม้อยหลับไปชั่วครู่เดียวได้ฝันถึงเหตุการณ์ต่างๆในอดีตของเขาอย่างละเอียดได้ทั้งๆที่เหตุการณ์เหล่านั้นทั้งหมดกินเวลาในชีวิตจริงๆของเขาตั้งหลายปี เราจะเห็นความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าในความฝันตามปกติเวลาที่เกิดขึ้นเป็นช่วงนานๆในโลกมนุษย์ถูกย่นลงให้เหลือเพียงแว บ, บเดียวได้อย่างไม่น่าเชื่อยิ่งในขณะที่วิญญาณกำลังจะออกจากกายเนื้อด้วยแล้วตอนนั้นเป็นตอนที่จิตเป็นสมาธิเข้มข้นมากขึ้นเพราะประสาทสัมผัสอย่างอื่นถูกตัดขาดจากโลกมนุษย์หมดแล้วระยะเวลาชั่วแว บ, บเดียวในจิตที่เป็นสมาธินั้น จึงสามารถที่จะประมวลเอาเหตุการณ์ซึ่งตามปกติกินเวลานับเป็นปีๆมาไว้ได้ในขณะที่อยู่ในสภาวะหลับวิญญาณที่ได้ละร่างกายเนื้อมาแล้วนี้จะได้รับช่วงลักษณะาภาวะทั้งปวงของตนเมื่อครั้งยังครองกายเนื้อมาด้วยทุกประการโดยสมบูรณ์ทั้งนี้หมายความว่าแต่ก่อนนั้นวิญญาณเคยมีความไฝฝันอยากได้เช่นไรมีความชอบและไม่ชอบอะไรบ้าง รู้สึกดึงดูดเข้าหาอะไรได้ง่ายกว่าอย่างอื่นมาแต่ก่อนอัธยาศัยทั้งหมดเหล่านั้นจะตกทอดมาแฝงอยู่ในวิญญาณที่กาลังหลับอยู่นั้นพร้อมมูลหลังจากตื่นขึ้นมาในโลกทิพย์แล้วลักษณะประจำตัวทั้งหมดเหล่านั้นก็จะแสดงออกมาอีกครั้งหนึ่งในรูปเดิมธรรมชาติไม่ได้มีหลักเกณฑ์ว่าวิญญาณจะต้องได้รับสนองสิ่งที่ตนปรารถนาอย่างพอใจจนกระทั่งรู้สึกเบื่อไปเอง ในการกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ครั้งต่อไปแต่ได้จัดเหตุการณ์ไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของวิญญาณเพื่อให้วิญญาณ น, นั้นๆได้สมประสงค์เ้นในโลกทิพนั้นเพื่อว่าวิญญาณจะได้หมดเรื่องพวักพวบนไปในเมื่อได้มาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและการที่วิญญาณยังลงสู่ความหลับก็เพื่อประโยชน์ดังกล่าวมาแล้วนั่นเองคือว่าในระหว่างที่หลับนี้ วิญญาณจะได้รับการเตรียมตัวเตรียมใจให้เข้าสู่สภาวะใหม่ซึ่งเราจะได้บรรยายถึงรายการละเอียดต่อไปการหลับของวิญญาณในระยะนี้จึงมีความจำเป็นต่อวิญญาณในทนองเดียวกันกับการหลับในคันของมารดาเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทารกผู้จะเกิดมาสู่โลกมนุษย์ฉะนั้น ความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ในระหว่างหลับเคยปรากฏว่ามีบุคคลบางคนแสดงความกลัวออกมาโดยไม่น่าเป็นไปได้คือเขากลัวว่าการที่วิญญาณต้องไปนอนหลับในโลกทิพนั้นจะเป็นการทําให้เขาต้องไปนอนหลับอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมหรือดินแดนที่แปลกประหลาดที่เขาไม่เคยรู้จักมาแต่ก่อนและต้องอยู่ท่ามกลางบุคคลที่เขาไม่เคยรู้จักอีกด้วย เรื่องนี้เป็นความกลัวที่ไม่มีเหตุผลที่จะเป็นไปได้เลยจริงๆและเป็นเครื่องแสดงว่าผู้ที่หวาดกลัวในเรื่องเช่นนี้ยังมีจิตใจเป็นเด็กอยังเลือเกินเพราะความจริงมีอยู่ว่าไม่มีที่อื่นใดอีกแล้วที่บุคคลจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างระมัดระวังยิ่งไปกว่าในระหว่างการหลับเพื่อพักฟื้นในโลกคลิปนี้เลยวิญญาณผู้กำลังหลับอยู่นั้นจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ ไม่ให้มีอันตรายใดๆมาแพ้ว่านได้เลยแม้แต่น้อยขอเด้โปรดอย่าลืมว่าสภาวะดังกล่าวนี้ไม่ใช่สถานที่ที่จะอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่มันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งและสภาวะดังกล่าวนี้มีลักษณะที่จะไม่มีอันตรายใดๆมากคล่อกลายได้เป็นอันขาดและสภาวะคือความปลอดภัยจากอันตรายในลักษณะเช่นนี้ จะไม่มีแก่บุคคลในโลกนี้หน้าที่ไหนเลยมีคํากล่าวในทางศาสนาฮินดูอยู่ประโยคหนึ่งว่าแม้แต่เทวดาทั้งหลายในสวงสวรรค์ก็ไม่มีอํานาจมากลราบกลายวิญญาณที่กําลังหลับอยู่ได้อาจมีบุคคลบางคนรู้สึกว่าคํากล่าวว่าด้วยการนอนหลับของวิญญาณดังกล่าวมาแล้วนี้เป็นเรื่องที่เหลือวิสัยที่จะเชื่อได้ว่าเป็นความจริง เพราะมันอาจจะไม่ตรงกับข้อความในคำภีที่เขาได้ศึกษามาแต่ก่อนในกรณีเช่นนี้ข้าพเจ้าใคร่ข อ, อกล่าวว่าอันที่จริงคำสอนโบราณที่มีกล่าวถึงเรื่องนี้อยู่โดยอ้อมนั้นก็มีอยู่หลายแห่งด้วยกันเช่นพระองค์ให้ความหลับแก่ผู้ที่เป็นที่รักของพระองค์หรืออีกแห่งว่ามีการพักผ่อนอยู่สาหรับผู้ที่อ่อนเพลียอีกประโยคว่า เขาได้เข้าสู่การพักผ่อนอันยาวนานข้อความเหล่านี้และข้อความอื่นๆทํานองนี้อีกหลายแห่งที่เป็นที่รู้จักกันดีล้วนเป็นเครื่องบ่งให้เห็นความจริงที่ว่าระยะการเห็นความหลับเพื่อพักผ่อนหลังจากความตายจากโลกนี้และก่อนความเกิดในโลกหน้านั้นเป็นของจําเป็นสําหรับวิญญาณที่ได้ต่อสู้กับโลกมาตลอดชีวิตด้วยความเหนื่อยอ่อนเป็นเวลานาน แนวความคิดที่ว่าความตายคือการพักผ่อนอย่างหนึ่งนั้นจึงเป็นที่ฝังใจของคนส่วนมากมาเป็นเวลานา น, านแสนานานแนวความคิดเรื่องนี้ก็เป็นไปอย่างแพร่หลายจนฝังจิตเช้นเดียวกับแนวความคิดเรื่องชาติหน้าเหมือนกันดังนั้นวิญญาณที่ได้รับทราบความจริงแห่งชีวิตดังกล่าวมาแล้วจึงควรถือสภาวะการหลับดังกล่าวมานั้นเป็นเครื่องที่ทาให้ตนได้รับการพักผ่อน อันสดชื่นอย่างแท้จริงเป็นความพักผรนที่สมบูรณ์ด้วยความปลอดภัยเพียบพร้อมไปด้วยความสงบเยือกเย็นทุกประการและอยู่ภายใต้การอารักขาอย่างดีที่สุดชนิดที่จะหาไม่ได้ในโลกมนุษย์เลยนี่คือการอย่างลงสู่ความหลับของวิญญาณในโลกทิพย์